เมื่อวานใครไปเป่านกฟีดบ้างบ้านเมืองก็เป็นอย่างนี้ธรรมดานะเป็นวมาถทุกยุคทุกสมัยว่าใจของคนมันไม่เต็มมันไม่อิ่มหิวโหยเราพยายามสร้างระบบอะไรต่ออะไรขึ้นมานะสร้างแล้วทำนูนสร้างอะไรหวังว่าการปกครองมันจะดีมันสู้กิเลสคนไม่ได้ การควบคุมมาจากภายนอกนะมันได้ได้บ้างการควบคุมจากภายในเนี่ยที่ผู้เจ้าสอนพวกเราเราคุมตัวเราเองได้ไม่ให้กิเลสมันครอบงำใจเราได้ถ้าเราไม่ถูกกิเลสครอบงำใจนะเราจะมีบทบาทอะไรเราก็แสดงบทบาทนั้นได้ดีไม่เห็นแก่ตัวเป็นผู้ปกครองมีศีลมีธรรมก็ไม่เห็นแก่ตัว เป็นพ่อแม่เป็นลูกเป็นอะไรเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาถ้ากิเลสมันไม่ครอบงําใจเราไม่เห็นแก่ตัวใครอยู่ด้วยก็มีความสุขแต่เราไปบังคับคนอื่นให้มีศีลธรรมทําไม่ได้ดงั้นตัวเราเราต้องฝึกของเราไปเรียกร้องคนอื่นเรียกง่ายนะแต่เรียกร้องกับตัวเองเนี่ยากกว่า เราว่าคนโน้นโกงคนนี้โกงนะใจเราบางทีก็โกงใจเราบางทีก็มีกิเลสเราไม่เคยเป่าลกฟีดไล่กิเลสของเราสักทีหนะึ่งในทางโลกในฐานะพละเมืองเราก็ไปแสดงความคิดเห็นของเราได้ตามหน้าที่ของเรานะแต่ในทางความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยเรามีหน้าที่ของความเป็นมนุษย์อยู่ ไม่ใช่แค่เป็นคนไทยนะมีความเป็นมนุษย์ด้วยเป็นคนไทยก็มีหน้าที่ต่อ บ, บ้านเมืองของประเทศไทยนะแตในความเป็นมนุษย์นะเราก็ต้องยกระดับใจของเราขึ้นไปต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนี่เป็นงานอันสําคัญเลยที่เราต้องทำํำถ้าพวกเราหัดภาวนามีหูมีตาละเอียดลึกซึ้งเราจะรู้ว่า การเวียนไหวแต่เกิดมันมีจริงๆมันไม่ใช่อุบายหลอกให้ควรทําดีวัตตะเนี่ยน่ากลัวสัตว์ทั้งหลายหมุนเวียนไปถ้าเราภาวนาเรารู้เราเห็นได้นะเราจะไม่กล้าทําชั่วหรอกเราจะรู้เลยว่างานจริงๆของเรานะไม่ใช่เรื่องหาเงินหรอกไม่ใช่เรื่องหาอํานาจเรามีเงินเรามีอํานาจนะมันก็อยู่ได้ชั่วคราว ไม่มีผู้มีอำนาจที่มีอำนาจถาวรนนะไม่เคยมีเลยอย่าว่าแต่ใหญ่ในประเทศเดียวเลยนะใหญ่ข้ามแถบยุมันก็อยู่ได้ไม่ตลอดเจงกิสคาร์านก็ใหญ่นะตีไปถึงยุโรปอเล็กซานเดอร์เห็นไหมนาโปเลียนใหญ่ๆที่นั่นเลยสุดท้ายมันก็ใหญ่ได้ไม่ตลอดนะมีอำนาจก็ไม่ตลอดนะมีเงินก็ไม่ตลอดนะ สิ่งที่จะอยู่กับเรามีคุณค่าที่แท้จริงกับเราก็คือธรรมะนี่แหละจะเป็นประโยชน์กับเราอย่างมหาศาลถ้าเราพัฒนาใจของเราขึ้นไปตามลำดับลาดับตามหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าสอนเราเราจะค่อยๆเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงนะว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆ พระธรรมมีจริงๆพระริยาสง์มีจริงท่าวันใดที่ใจเราเข้าใจธรรมะนะเราจะเคารพแน่นแฟน้นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รู้เลยว่าอะไรเป็นสาระอะไรไม่เป็นสาระในทางโลกแย่งชิงอํานาจกันว่ามีสาระนะแย่งผลประโยชน์กันว่ามีสาระมันอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวก็เป็นของคนอื่นไปไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดเวลาได้นะ งันเราพยายามมาพัฒนาใจของเรานะมันจะได้รู้ว่าอะไรมันมีสาระที่แท้จริงนะการจะพัฒนาจิตพัฒนาใจของเรานะมันมีบทเรียน3ขั้นตอนหลวงพ่อไปในกอเทศแต่เรื่องพวกนี้มันคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราเรียกว่าไตรสิกขาไตรสิกขาสิกขาเป็นภาษาบาลีภาษาสาษกฤษนั่นคือคือศึกษาศึกษาคนไทยใช้คาว่าศึกษา งานของชาวพุทธเราคืองานศึกษาต้องเรียนนะหน้าที่ของชาวพุทธคือการเรียนนะเราะนั้นพระโสดาบันพระสกทาคาพระอนาคานี่ท่านเป็นนักเรียนเรียกเสกขบุคคลคนที่ยังต้องศึกษาอยู่พระอรหันตนะ์เป็นอาเสกขบุคคลคนที่เรียนจบแล้วไม่ต้องศึกษาอีกนะขณะโสดาอย่างเป็นแค่นักศึกษานะพวกเรายัางประเภทเตรียมอุดมนะหรือแย่ลงไปอาจจะปะถมนะอนุบาล หรือยังไม่เข้าโรงเรียนเลยนะการจะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยอะไรนะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพอดีพอดีไม่ยากเกินไปนะคนทั่วๆไปสามารถทำได้ถ้าตั้งใจจะทำมีความเด็ดเดี่ยวที่จะทำงานแรกเราต้องรู้จักที่จะมีศีลให้ได้นะอย่างลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยไปเป่านนวิทย์เจอมากเลย เราก็สอนไปว่าถ้าจะไปเป่าตามหน้าที่ก็ไปโดยไม่ว่าอะไรหรอกแต่อย่าไปด่าเขาด่าเขานี่ผิดศีลนะจิตเศร้าหมองไปเป่าตามหน้าที่แสดงจุดยืนไว้เป็นไรนะตามหน้าที่พลเมืองได้แต่ไปดา่ามันไม่เกี่ยวอะไรด้วยมันกลายเป็นเราทาบาปนะเราด่างพร้อยจิตใจเราเองแหละจะร้อนรนจิตใจเราจะเศร้าหมองนะงั้นเบื้องต้นเราพยายามรักษาศีลเอาไว้ให้ได้ อาจจะถูกเขาตีนะดีกว่าตีเขานะถูกเขาโกงดีกว่าโกงเขาถูกเขาแย่งคนรักดีกว่าไปแย่งคนรักเขานะถูกเขาหลอกลวงดีกว่าหลอกลวงเขาฟังดูเราโง่เหมือนคนสู้คนไม่ได้แต่ถ้าเรามองในด้านการพัฒนาทางจิตทางใจล้วก็เราจะพบว่าถ้าเราทำได้นะในระยะยาวนะผ่านไปปีสองปีสามปีเนี้ย เราจะเกิดพัฒนาการทางใจใจเราจะเต็มใจเราจะอิ่มมีความสุขนะเราคิดถึงศีลธรรมที่เราสร้างสมบุกมบลมของเราทุกวันทุกวันนะมันจะอิ่มออิ่มใจนะใจิตใจเราจะมีความสุขคนที่มีอำนาจมากไม่เห็นมีความสุขเลยคนที่มีเงินมากก็ไม่เห็นมันจะมีความสุขเลยนะมันวุ่นวายใจจะตายถ้าเรามีศีล ม, มีธรรมเรามีความสุขนะถ้ารักษาศีลได้นะสมาธิมันจะเกิดนะ ใจจะสงบใจจะมีความสุขอย่างสบายนะสุขเป็นสมาธิที่เกิดได้ง่ายๆแค่เรานึกถึงว่าเรามีศีลนะสมาธิก็จะเกิดขึ้นเพราะตั้งใจไว้ก่อนนะว่าชีวิตนี้ขอมีศีล5้าเนะงินไปชุมนุมก็ไม่ด่าใครนะนะถ้าด่านี่ศีลดังพร้อยแล้วนะไม่มีประโยชน์ด่าไปเขาก็ไม่ได้ยิน เขาก็ฟังแต่คำประจบสอพลอเขาไม่ฟังคำดา่าเลยถ้าฟังไม่มีประโยชน์ที่จะดา่าไม่มีประโยชน์ที่จะทำร้ายกันมีศีลแล้วต่อไปงานที่สนะศีลเนี่ยต้องตั้งใจก่อนตั้งใจเราจะงดเว้นเราจะไม่ทำบาปอาคุศล5อย่างเอาศีลหพอแล้วละงานต่อไปคืองานฝึกจิตใจให้อยู่กับตัวเอง เรียกว่าจิตตะศิขาถ้าฝึกสําเร็จนะเราจะได้จิตมาจิตของเรานี้หนีเที่ยวตลอดเวลานะจิตไม่เคยอยู่กับตัวเองจิตนี้ร่อนเร่ตลอดตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับนะหลับไปก็ยังฝันต่ออีกนะจิตหนีไปเที่ยวตลอดเวลาคนในโลกนี้หาคนที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่หายากมากนะไม่ค่อยมีเลยคนที่จิตใจอยู่กับตัวเองมันมีแต่จิตใจหนีไปอยู่ที่อื่นนะลืมตัวเองตลอดวันตลอดคืน เราพยายามมาฝึกให้ใจอยู่กับตัวเองนะวิธีที่จะฝึกให้ใจอยู่กับตัวเองเน่เบื้องต้นนะต้องหัดทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งใครถนัดกรรมฐานอะไรเอาวันนั้นแหละถนัดพุดโทโธเราก็หัดพุดโทโธพุโทโธไปแล้วคอยรู้ทันจิตใจของเราไว้พุโทโธพุโทโธจิตหนีไปคิดเรารู้ทันพุโทโธพุโทโธนะจิตไปหลงอะไรนิ่งๆิ่งว่างว่า ง, างอยู่รู้ทันคอยรู้ทันจิตไป รู้ลมหายใจก็ได้นะดูเห็นร่างกายมันหายใจออกเห็นร่างกายมันหายใจเข้าดูร่างกายมันหายใจไปเรื่อยๆหายใจไปหายใจไปแอบไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดแล้วจิตเราก็จะมีสมาธิกลับมาตั้งมั่นหรือรู้ทันว่าจิตเราไหลไปอยู่กับลมหายใจแล้วเวลาไปรู้ลมหายใจนะจิตชอบไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันว่าจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมแล้ถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปที่ลมนะจิตก็ตั้งมั่นอีก สรุปก็คือถ้าเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปนะจิตจะไม่เคลื่อนโดยที่ไม่ได้บังคับนะตัวนี้เป็นเรื่องที่ดีนะเป็นสมาธิที่ถูกต้องถ้าสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยจะไม่บังคับนะแต่ว่าจะรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปมันฟุ้งไปเเรารู้ทันว่าจิตฟุ้งไปคิดจิตฟุ้งไปเพ่งอยู่กับลมหายใจแล้วไหลไปลนะ้นะเมื่อเรารู้ทันนะจิตจะตั้งมั่นอยู่กัะเนื้อกับตัว ทุกวันนี้ที่หลวงพ่อสอนให้พวกเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวก็ได้ผลนะเวลาไปต่างจังหวัดหรือไปที่ไหนๆนะเห็นคนตามถนนหนทางเนี่ยรู้เลยว่าฟังซีดีหลวงพ่อนะมันรู้สึกตัวเป็นรู้สึกตัวได้เนี่ยดูง่ายมากเลยนะจะทำอะไรนะร่างกายเคลื่อนไหวจะรู้สึ ก, กจิตใจเคลื่อนไหวจะรู้สึกหน้าตาจะผ่องใสนะเพราะมีสติสัมปชัญญะอยู่หน้าตาจะผ่องใสอิ่มเ อ, อิบ บางคนแก่เท่านะคนแก่ทั่วๆไปเราจะดูไม่ได้เลยดูสุดโสมมากคนภาวนานะจิตใจไหลไปรู้ทันรู้ทันนะแก่ๆนะก็ดูผ่องใสนะดูสดชื่นดูแจ่มใสสิ่งเหล่านี้เราสามารถเอามาครอบครองเป็นสมบัติของเราได้นะด้วยการฝึกใจของเราให้รู้ทันเวลาใจมันไหลไปหน้าตาเราจะเปลี่ยนนะไม่ช่พาะเปลี่ยนแต่จิตนะเพราะจิตมันเปลี่ยนหน้าก็เปลี่ยน จิตมันรู้สึกตัวขึ้นมานะมันมีความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหน้าตาของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยหน้าตาเราจะผ่องใสเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นหน้าก็รู้เลยนะพวกเราเคยเห็นคนโมโหใช่ไหมโมโหหน้าตาน่าเกลียดไหมเห็นหน้าเราก็รู้แล้วก็ใจเขาเป็นยังไงบางคนเราเข้าใกล้นะเรารู้สึกมีความสุขแล้วเห็นหน้าเราก็สบายใจแล้ว เนี่ยเราค่อยๆฝึกนะ ใ, นใจของเราเนี่ยมันเย็นชื่นฉ่าอยู่ภายในนะมีความสุขมีความสงบรู้เนืรู้ตัวอยู่ภายในนะหน้าตาท่าทางเราก็จะเปลี่ยนนะม่จะดูสดชื่นดูแจ่มใสเห็นหน้าปุ๊บรู้เลยนะว่าลูกสิทธิ์ไก่เห็นหน้าก็รู้แล้วเดินถนนเนี่ยนะั่งรถไปนั่งรถไ ป, ไปมองปลารเนี่ยเห็นแล้วนะคนนี้รู้สึกตัวเป็นนะ เรียนกับหลวงพ่อนะเพราะเรารู้สึกตัวได้เนี่ยเยอะแยะเลยตอนนี้บางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อหรอกฟังแต่ซีดีฟังซีดีแล้วก็สังเกตใจตัวเองใจเราหนีไปคิดรู้ทันหนีไปคิดรู้ทันนะแป๊บเดียวก็ตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นงั้นเราต้องมาฝึกนะฝึกจนกระทั่งเราได้ใจของเราคืนมาใจของเราหนีไปตลอดเวลาหนีไปอยู่ส่วนใหญ่ก็หนีไปในโลกของความคิด รองเรมาก็หนีไปดูหนีไปฟังหนีไปดมกลิ่นหนีไปรู้รสอย่างเมื่อวานเข้ามาชุมนุมเราไปดูอย่างนี้นะใจเราไปไปดูใช่ไหมหนีไปดูแล้วเราลืมตัวเราเองขนาดที่ลงไปดูเขาเราก็ลืมตัวเราเองเนี่ยใจเราหนีจากตัวเองไปแล้วใจนัครูบาอาจารย์สอนนัเป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดเลยนะเพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยเป็นเครื่องจําแนกนะว่าเราจะดีขึ้นหรือเาจะเลวลงกรนะาทั่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานหรือเปล่าก็อาศัาายจิตใจนี่เอง จะไปสุขติจะไปทุคติก็เพราะจิตใจนี่เองดังนั้นจิตใจนี่เป็นของสำคัญมากเราควรจะดูแลมันไม่ใช่ปล่อยให้มันสเปสสปะหนีไปตลอดเวลานะคอยรู้สึกคอยรู้สึกแปนะต้องซ้อมนะต้องซ้อมทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วซ้อมไปพุทโธพุทโธไปก็ได้นะหรือรู้ลมหายใจหรือจะดูท้องพองยุบจะทำจังหวะขยับไม้ขยับมือนะ ขยับหลายๆจังหวะอย่างหลวพเพราะเตียนไม่เป็นขยับมนแค่นี้ก็ยังได้นะขยับแล้วรู้สึกแต่ไม่ใช่อย่างนี้นะนะอย่างเดี๋ยวเอามาพาดกินนะอย่างตอนนี้ยิ้มอยู่รู้สึกไหมเนี่ยยิ้มอยู่แค่รู้สึกอ่ะเห็นไหมเราไม่ได้ดูได้ตานะเรารู้ได้ใจเองขณะที่เรายิ้มเรารู้สึกพยักหน้าเรารู้สึกคอยรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะฝึกไปจิตใจมันจะกลับมาอยู่กับตัวเองได้ ถ้าจิตใจกลับมาอยู่กับตัวเราเองได้เรียกว่าเราได้สมาธิที่ถูกต้องล้นะสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยเป็นเครื่องมือสำหรับการเจริญปัญญาเคยได้ยินใช่ไมศีล ส, สมาธิปัญญาศีลได้มาจากศีลสิกขานะการเรียนวิธีรักษาศีลวิธีรักษาศีลเบื้องต้นตั้งใจรักษานะต่อไปให้มีสติคอยรักษาจิตกิเลสเกิดเรารู้ทันกนะิเลสครอบงาจิตไม่ได้ศีลอัตโนมัติจะเกิดเนี่ยวิธีรักษาศีล วิธีให้มีสมาธิไม่ใช่บังคับจิตให้รู้ตัวนะวิธีจะให้มีสมาธิก็คือรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปมันหลงไปแล้วจะได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาพอจิตใจอยู่กับตัวเองแล้วเราก็มาถึงขั้นสุดท้ายนะขั้นเจริญปัญญานะการเจริญปัญญาเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองนะเพราะหน้าที่ชาวพุทธที่หลวงพ่อบอกแลนะหน้าที่เรียนเท่านั้นเอง นี่เราจะมาเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือกายกับใจนี่เองถ้าพูดแบบพระเขาบอกเรียนเรื่องขัน5ขัน5ก็คือกายกับใจของเรา n ี่เองรูปประคันก็คือส่วนของร่างกายเนะวทนาความสุขความทุกข์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วปิญญาณความรับรูนะ้หรือจิตนั่นเองสีอันหลังนี่เป็นเรื่องของนามธรรมานะร่างกายเป็นตัวรูปธรรม เนี่ยถ้าเราจะเจริญปัญญานะเราก็ไม่เรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมา ท, ที่ประกอบกันเป็นตัวเรานะหรือจะบางคนก็แบ่งสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปแบบแบบอื่นได้นะไม่ใช่ต้องแบ่งเป็นขัน5อย่างเดียวบางคนแบ่งเป็นอนายตนะหนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็ประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายในห้าอันนี้เป็นส่วนของรูปธรรมแล้วก็มีใจเป็นส่วนของนามธรรมา สุดท้ายก็คือมันมีรูปธรรมนามมธรรมบางคนแบ่งออกเป็นธาตุสิธาตุนะก็เป็นรูปธรรมนามธรรมอีกบางคนแบ่งเป็นเจอินรียี่สินะก็เป็นรูปธรรมนามธรรมแบ่งยังไงก็ได้นะแบ่งสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนส่วนส่วนใหญ่ที่เราคุ้นคุ้นหน่อยก็แบ่งเป็นเรื่องขัน5นะ้านะเรื่องอายตันนา 6. เราค่อยๆดูลงไปในร่างกายนะถ้าเราเห็นความจริงของกายว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเรียกว่าเราจเจริญปัญญาอยู่ เราเห็นความจริงว่าจิตใจนะสิ่งที่เป็นจิตใจนะนอกจากตัวรับรู้แล้วก็มีพวกความรู้สึกนึกคิดต่างๆเราจะเห็นนะั่นมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ใช่ตัวเราด้วยเราบังคับมันไม่ได้เราดูของจริงไม่ใช่คิดเอานะไม่ใช่ไปปลูกแต่งมันการที่เราจะคอยดูความจริงของกายความจริงของใจเนี่ยเราต้องไม่เผลอลืมกายลืมใจนะตรงที่เราไม่เผลอไปก็คือมีจิตใจอ ย, อยู่กับเนื้อกับตัวมีสมาธินั่นเอง นะถ้าเมื่อไหร่เราลืมตัวเองเรียกว่าขาดสมาธิจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะเพราะงั้นเราต้องมีอันแรกเลยถ้าเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้นะเราต้องรู้สึกตัวให้จิตใจอยู่กับตัวเองอันที่2เราจะต้องไม่เข้าไปแทรกแซงไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจนะถ้าเราไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจเมื่อไหร่เราจะไม่ได้เห็นว่าจริงๆกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงงั้นศัตรูเบอร์หนึ่งของคนที่จะเจริญปัญญานะก็คือลืมตัวเอง ศัตรูเบอร์อก็คือการดัดแปลงตัวเองนะเพราะะเราต้องไม่ปลอมนะต้องดูตัวจริงไม่ใช่ปลอมตัวไปดูนะดูของปลอมเวลาที่เราคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยเราจะเกิดการปลอมโดยอัตโนมัตินะเวลาเราคิดถึงการนั่งสมาธิทุกคนลองนั่งสมาธิสิอ่ะต่อไปนี้ลองนั่งดูดูของจริงๆเลยเห็นไหมต้องขยับเห็นไหมทาไมต้องขยับเพื่อวางท่า ขยับได้ที่แล้วนะก็จะปลอมใจต่อไปท่านแรกปลอมกายก่อนนึกออกไหมพอบอกให้นั่งสมาธินะกำลังนั่งอย่างนี้นั่งไม่ได้เหรอสมาธิสมาธิอ่ะยกขาขึ้นข้างหนึ่งก็ยังทําได้นะมันไม่เกี่ยวกับท่านั่งอ่ะแต่ทันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัติธรรมนะงานแรกที่เราทําก็คือการดัดแปลงตัวเองเราต้องวางฟอร์มต้องนั่งให้สวยๆนะต้องนั่งท่านั้นต้องนั่งท่านี้ต้องเดินท่านั้นต้องเดินท่านีน้พอดัดแปลงร่างกายเสร็จเราก็จะเริ่มดัดแปลงจิตใจ จนะทำใจให้ขลุ่มๆจะทำใจให้นิ่งๆเอาลองดูสิว่าจริงไหมเอาต่อไปนี้ลองปฏิบัติดูรู้สึกไหมดัดแปลงใจทำใจให้เรียบร้อยนะส่วนใหญ่นะบางคนก็สงสัยหนักเขาไปคิดเลยไม่ได้ปฏิบัตนะิถ้าพวกคนไหนลงมือปฏิบัติเนี่ยสังเกตดูสิเรียทําทใจให้นิ่งๆขลุ่มๆนะพอแล้วนะ กินข้าวใหม่ๆอย่าทำเดี๋ยวอาหารเป็นพิษนะพยายามรู้สึกตัวตอนเนี้ร่างกายยิ้มรู้สึกไหมเนี่ยร่างกายพยายามหน้ารู้สึกไหมรู้สึกไหมร่างกายเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เขา้าเนี่ยลองพยายามหน้าสิลองยิ้มก็ได้นะพยักหน้ามากเดี๋ยวเวียนหัวลองยิ้มยิ้มหวานๆนะแล้วเห็นร่างกายมันยิ้มรู้สึกไหมมันไม่ใช่เรานะมันจะไม่ใช่เราเลยมันเป็นเราเพราะว่าคิดเอานะ ร่างกายมันไม่เคยบอกเลยว่ามันเป็นตัวเรานะร่างกายที่พยักหน้าร่างกายที่ยิ้มนะร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้านะเราไม่ต้องดัดแปลงมันนะเพราะจริงๆอ่ะมันไม่เที่ยงอยู่แล้วจริงๆมันเป็นทุกข์อยู่แล้วจริงๆมันเป็นอนัตตาอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องดัดแปลงมันเลยแต่ถ้าดัดแปลงเมื่อไหร่มันจะเที่ยงมันจะนิ่งๆไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแล้วภาวนาไปเรื่อยนะั้นดัดแปลงเก่งนะแทนที่จะเห็นทุกข์นะกลายเป็นสุขนะ ยิ่งานามีสมาธิมากๆ ม, มีแต่ความสุขนะแล้วก็เกิดความเห็นผิดว่ากูเก่งกูเก่งบังคับได้แทนที่จะเห็นอนัตตานะงั้นถ้าเมื่อไหร่เราไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจจนชํานาญนะเราจะได้มิจฉาทิฏฐิมานะเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนะเห็นของไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเรานะงั้นเราไม่ต้องไปดัดแปลงมันเราแค่รู้สึกตัวนะให้ใจอยู่กับตัวเองพอใจอยู่กับตัวเองแล้วดูไป ร่างกายมันหายใจออกรู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้า worthy, รู้สึกตัวร่างกายยิ้มรู้สึกตัวนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวนะดูไปเรื่อยเร่ <ๆ S 1> เราจะเห็นเลยร่างกายมันทำงานนะใจเป็นคนไปดูมันมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะร่างกายมันจะลดระดับนะจากตัวเรากลายเป็นของเราเท่านั้นเองลดระดับลงไปลองดูซิตอนนี้เอาลองยิ้มใหม่ลองยิ้มใหมให่ยิ้มหวานๆนะยิ้มแบบ คล้ายๆเพิ่งตกหลุมรักครั้งแรกในชีวิตยิ้มแบบนั้นเลยนะแล้วเจอสาวที่เรารักเจอหนุ่มที่เรารักเย้มแล้วรู้สึกตัวยิม้มนะเห็น <st> ไหมร่างกายมันยิ้มดูออกไหมร่างกายมันยิ้มนะลองทำหน้าบึ้งสิทำหน้าบึ้งคล้ายๆไปจีบเขาแล้วเขาไม่เอาด้วยแล้วนะหน้าบึ้องนะเห็นไหมร่างกายมันหน้าบึ้งรู้สึกไหมเนะี่ยดูมันนะดูอย่างที่มันเป็น หัดดูไปเรื่อยๆนะไม่นานเราก็จะเห็นเลร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกนะร่างกายมันเหมือนโพรงเหมือนถ้าเหมือนเปลือกเหมือนหุญญน่นยนต์จิตเป็นคนมาอาศัยอยู่ในร่างกายนี้จิตเป็นคนสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้นะแต่ร่างกายเป็นแค่เปลือกเท่านั้นเองไม่ใช่ตัวเราหรอกเนะนี่ยค่อยๆหัดดูอย่างนี้เรียกว่าเจริญปัญญานะคือดูของจริงว่าร่างกายนี้เป็นยังไงถ้าไม่ถนัดดูความจริงในร่างกายเราก็ดูความจริงของใจ ใจเราเดี๋ยวก็สุข ใ, ใจเราเดี hma, e tekrar, nice sleep, i, though, ode, ium, ๋ยวก็ทุกข์ใจเราเดี๋ยวก็เฉยเฉยทั้งวันมีอยู่แค่นี้เองไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยฉยนะจริงัหมมีอยู่เท่านั้นนะความรู้สึกอะมีอยู่แค่นั้นเองเนี่งไปดูหนังมีความสุขใช่ไหมมีความสุขไปเดี๋ยวหนึ่งหายไปแล้วต้องไปกินข้าวไปกินของอร่อยมีความสุขอยู่ไปเดี๋ยวหนึ่งความสุขก็หายไปอีกแล้วต้องไปทาอย่างอื่นต่อ เนี่ยเราวิ่งหาความสุขวิ่งหนีความทุกข์ทั้งวันเลยนะเนี่ยถ้าเราคอยรู้ทันนะมีความสุขเกิดขึ้นเรารู้ความสุขหายไปเรารู้มีความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้ความทุกข์หายไปเรารู้นะเนี่ยเราคอยรู้คอยดูของเราเรื่อยไม่ใช่ดูเพื่อจะให้เกิดความสุขไม่ใช่ดูเพื่อละความทุกข์นะต้องกล้าหาญมากกว่านั้นเราดูเพื่อให้เห็นความจริงเราไม่ได้ปฏิบัติเอาสุขเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อนหนีทุกข์นะ แต่ปฏิบ really <able> yes ัติเพื่อให้เห็นความจริงเพราะเราทําหน้าที่เป็นนักเรียนเราเรียนเรียนเพื่อให้เกิดได้รู้ความจริงเท่านั้นเองเราดูความจริงของร่างกายเนี่ยร่างกายเป็นอย่างนี้ดูความจริงของจิตใจนะจิตใจเดี๋ยวก็สุขจิตใจเดี๋ยวก็ทุกข์ร่างกายเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้านะจิตใจเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายคนไหนขี้โมโหในห้องนี้คนไหนขี้โมโหนะมีไหม คนไหนขี้โลบเจออะไรก็อยากได้หมดนะบางคนทั้งขี้โมโหทั้งขี้โลภนะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้พวกนี้เป็นเอตทัคคะฝึกมาหลายแบบฝึกนะทั้งโลภฝึกทั้งโกรธนะคนคนโกรธได้ก็เพราะว่าโลภแล้วไม่สมหวังนะยิ่งโลภมากนะมีความอยากเกิดขึ้นแล้วมันไม่สมอยากนะัมันจะโกรธนะนั้นความโกรธเป็นลูกของความโลภนะั้นต่อกันได้ ไขฟุ้งซ่านเก่งในห้องนี้ไขฟุ้งซ่านเก่งมีไหมโอ้ฟุ้งซ่านชนะถูกต้องแสดงว่าห้องนี้ภาวนาเป็นกิเลสหลักของเราคือความฟุ้งซ่านนะถ้าไม่ฟุ้งซ่านนะความโลภจะไม่เกิดถ้าไม่ฟุ้งซ่านนะไม่โลภแล้วมันจะไม่ไม่โกรธ ด, ด้วยนะฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นความหลงนะเคยหดผูกไหมรู้จักหดผูกไหมระหว่างฟุ้งซ่านกับหดผูกใครเยอะกว่ากัน หูซ่านหดหูนานๆทีเนาะนะเป็นช่วงๆตอนอกหักก็หดหูหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะให้ดูชีวิตมีรสชาติอย่างงี้นะนี่เราคอยดูความจริงในจิตใจของเรานะไม่ใช่ไปดัดแปลงจิตใจซึ่งมันไม่เที่ยงให้มันเที่ยงไม่ใช่ไปดัดแปลงจิตใจนะซึ่งมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาให้คงที่นะดูความเปลี่ยนแปลงของมันไปดูความจริงของมันเราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจเราเนี้ยชั่วคราวทั้งหมดเลย เวลามีความสุขก <New i> ็ชั่วคราวเวลามีความทุกข์ก็ชั่วคราวเวลาโลภก็โลภชั่วคราวเวลาโกรธก็โกรธชั่วคราวเวลาหลงก็หลงชั่วคราวฟุ้งซ่านก็ชั่วคราวหดผูกก็ชั่วคราวนะอิจฉาก็ชั่วคราวมีไหมอิจฉาตลอดไม่มีหรอกถ้าไม่คิดถึงก็ไม่อิจฉาคิดถึงก็ถึงแคอิจฉาเกลียดมีไหมเกลียดเป็นไหมตอนนี้เราถูกปลูกให้เกลียดถูกปลูกกระแสให้เกลียดให้เรารู้ทันนะ เรารู้ทันใจมันเกลียดขึ้นมาเรารู้ทันนี่หัดดูของจริงเพืนะ่อจะได้เห็นความจริงของจริงก็คือร่างกายเราของจริงก็คือจิตใจของเราดูให้เห็นความจริงความจริงก็คือมันเป็นของไม่เที่ยงนะอยู่ชั่วรคราวหายใจเข้าก็ชั่วรคราวหายใจออกก็ชั่วรคราวสุขก็ชั่วรคราวทุกข์ก็ชั่วรคราวดีก็ชั่วรคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วรคราวดูเพื่อให้เห็นความจริง นะไม่ใช่ดูเพื่อจะเอาของเที่ยงนะดูให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวทุกอย่างทนอยู่ไม่ได้ความสุขก็ทนอยู่ได้ไม่นานความทุกข์ก็ทนอยู่ไม่ได้นานนะความดีก็อยู่ได้ชั่วคราวความชั่วทั้งหลายโลภโกรธห ล, ลงก็ชั่วคราวเคยอกหักไหมในห้องนี้ใครเคยอกหักอกหักเวลาอกหักเศร้ามากไหมเศร้าใช่ไหมชั่วคราวไหมชั่วคราวผ่านไปแล้วเดี๋ยวก็หายนะ บางคนก็เดี๋ยวนานหน่อย2องปนะีปีหนึ่งสองปีพวกนี้จริงจังกับชีวิตนะพออกหักครั้งที่2ก็เหลือปีเดียวครั้งที่3เหลือเดือนเดียวนะแต่ไฟวันเดียวแล้วเลิกเลยนะหรือเช้าแล้วเย็นเลกิกเลยรนี่นี่เรียกว่าชำนี้ชํานานมากนะนะนี่เราดูสิไม่มีอะไรหรอกที่ถาวร น, นะสุขก็ไม่ถาวร น, นะทุกก็ไม่ถาวรดีก็ไม่ถาวร น, นะชั่วก็ไม่ถาวรนะโรคหลดลงก็ไม่ถาวร เน่ดูของจริงจนใจมันยอมรับนะถึงจุดหนึ่งเนี้ยใจมันจะยอมรับความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเนียเป็นของช่วคราวถ้าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวเนียเราจะต้องแย่งชิงอะไรกันนักหนาใช่ไหมจะ ต, ต้องแย่งอำนาจมาหรืออำนาจเป็นของชว่วคราวต้องแย่งเงินให้มากๆนะจนไม่รู้จะกินอะไรแล้วนะมีเงินเป็นหมื่นล้านแล้วมันมีความสุขหมมันไปแย่งของชว่วคราวนะมันจะแย่งแต่ของชวัวคราว หรือจีบผู้หญิงแข่งกันนะได้สาวงามมาสาวงามมันชั่วคราวนะเ อ, อพอเป็นแฟนเราแล้วไม่ค่อยงามแล้ว <laughs> <laughs> ตอนยังไม่ใช่เป็นแฟนเราโอ้มันงามนะ <laughs> หรือแฟนคนอื่นดูงามอย่างเงี้ยะเนี่ยนะไปแย่งของชั่วคราวกันนะเนี่ยค่อยๆเรียนรู้ความจริงของชีวิตนะแล้วใจมันจะค่อยๆเต็มใจมันจะค่อยๆอยิ่มขึ้นมาต่อไปเราจะทําหน้าที่เท่านั้นเองนะเราเส็จลูกจ้างเขาเราก็ทําหน้าที่เราไม่โกง บริษัทนะขยันทํางานทําเต็มฝีมืออะไรอย่างนี้นะนะในฐานาลละพลเมืองเราก็ดูแลบ้านเมืองไปนะไปใช้สิทธิ์ไปอะไรก็ทําไปนะเนี่ยเราจะรู้รู้ว่าทุกอย่างนะมันชั่วคราวไปหมดเลยนะนี่ยหัดดูอย่างนี้นะเราจะไม่รักใครมากหรอกเราจะไม่เกลียดใครมากหรอกเพราะว่าความรักก็ชั่วคราวความเกลียดก็ชั่วคราวอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงแล้วเราจะแย่งไอ้ของไม่เที่ยงกันทำไม เนี่ยถ้าสติปัญญาเราแก่กล้าขึ้นนะเราจะรู้เลยว่าอะไรเป็นสาระอะไรไม่ใช่สาระของชีวิตนะถ้าเรารู้อย่างนี้นะเราจะรู้ได้คนในโลกนี้แย่งของไม่มีสาระพฤติกรรมไม่ต่างกับหมาแย่งกระดูกเลยนะแต่หมาแย่งกระดูกนี่มีสาระนะมันกินได้นะแต่คนแย่งอะไรต่ออะไรกันนี่นะทำร้ายกันโหดร้ายทารุณที่สุดเลยนะแย่งของซึ่งมันอยู่ได้ชั่วคราวแล้วมันก็ต้องหลุดมือไปเวลาจะหลุดมือไปจะเสียดายหม พอได้อำนาจมาจะเสียอำนาจจะเสียได้ไหมเสียไดย้ใช่ไหมและต้องเสียไหมเสียทุกคนแนหะไม่มีใครไม่เสียอำนาจหรอกนะเพราะว่าไม่มีอะไรที่อยู่ตลอดกาลเนะนี่ยเรามาเรียนธรรมะนะเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี้ยเป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองนะแล้วเราจะรู้เลยว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชนนะ์สิ่งที่มีประโยชน์ก็คือ ธรรมะที่จะมาพัฒนาใจของเรานะให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นมันมีความสุขอยู่ได้นะท่ามกลางความวุ่นวานยะจะร่างกายจะแก่ใจก็ออยังมีความสุขร่างกายจะเจ็บใจก็มีความสุขนะร่างกายจะตายใจก็ยังมีความสุขอยู่ได้นะไม่สมหวังก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะความหวังก็ยังมีอยู่บ้างนะไม่ใช่พระรหันต์อยากอยู่บ้างแต่ถ้ามันไม่ได้อย่างอยากไม่ทุกข์มากหรอกมันก็รู้สึกว่าเออมันบังคับไม่ได้ เป็นของชั่วคราวนะได้สมหวังมาดีใจนะก็ไม่ไม่หลงระเริงมากก็รู้หรอกว่าความสุขความดีใจที่สมหวังนะมันก็อยู่ชั่วคราวอีกในชีวิตพวกเราใครเคยสมหวังครั้งสำคัญสำคัญมาแล้วบ้างมีไหมมีไหมเช่นจิบคนนี้สำเร็จอเงี้ยนะหลงมาแต่งงานกับเราละอนะเงี้ยสมหวัง หรือลูกสอบเข้ามาหาวิทยลาลัยได้นสมหวังความสุขพวกนั้มีอยู่นะแต่มันอยู่ชั่วคราวไม่ใช่ไม่มีถ้าเรารู้อย่างนี้นะต่อไปใจเราเนีมันจะเป็นอิสระต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะใจเรามีความสุขมีความสงบอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองนะเพราะเรามีปัญญาคุ้มครองรักษาใจปัญญาก็คือการที่เราเห็นความจริงว่าทุกอย่างมันชั่วคราวนัว่นแหละนะทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุ ตามเงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตามใจของเรานะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะนะชีวิตเราจะเปลี่ยนคนที่เรียนกับหลวงพ่อนะเดือน2เดือน3เดือนอะไรเนี่ยมาสารภาพเยอะแยะเลยนะใช้คําว่าสารภาพก็ไม่ถูกมันเหมือนผู้ร้ายคล้ายๆมามาเล่าให้ฟังนะว่าชีวิตเขาเปลี่ยนเคยทุกข์มากก็เหลือทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็เหลือทุกข์สั้นนะนะชีวิตมันเปลี่ยนนะเคยเครียดตลอดตอนะนี้ไม่ค่อยอยากเครียด บางคนก็ว่าแปลกใจนะนคนที่รักตายไปทําไมไม่เศร้าโศกอะไรเงี้ยเพราะใจมันได้รับการอบรมมาดีนะมันรู้ว่าทุกอย่างชว่วคขราวนี่คนที่เรารักมันก็ของชั่วคขราวเห็ยังไงเกิดตายไปมันก็ของชั่วคราวหรือแฟนเราไปมีเมียใหม่เนะี้ยสามีเราไปมีเมียใหม่นกะ็ไม่เศร้าโศกนานนะรู้สึกมันธรรมดามันเป็นสามีเราก็เป็นชัโชคราวนะอเรื่องธรรมดา โอ้ถูกใจ <c oughs> นะนะทุกอย่างมันชั่วคล้าวไปหมดนะดูนะถ้าเราเห็นความจริงของชีวิตแล้วว่าทุกอย่างมันชั่วคร้าวนะทุกอย่างมาได้ก็ไปได้นะชีวิตมันจะเบานะชีวิตจะมีความสุขนะได้อยู่กับโลกได้อย่างสบายเลยนะแต่ไม่ใช่พวกไม่รู้จักโลกนะเรารู้โลกเราเข้าใจโลกเราเล่นบทบาทไปตามโลกได้นะแต่เล่นอย่างเข้าใจ ความทุกข์มันก็น้อยลงน้อยลงนะสรุปง่ายๆนะถือศีล5ไว้ก่อนตั้งใจไว้ทุกวันตื่อนนอนมาตั้งใจว่าวันนี้จะรักษาศีล5เพื่อออกมาแล้วถูกเขาเดินขบวนเหยียบตายไปนะหรือแก่แล้วไม่เจียมสังขารไปเดินกับเขานะเขาเบียดเอาอะไรเนี้ยช็อกไปาตายอย่างมีศีลนะตั้งใจรักษาไว้แล้วนะนะกลางวันก่อนจะไปกินข้าวตั้งใจรักษาศีลเผื่อข้าวติดคอตาย นะจได้ตายยังมีศีล น, นะมีนะข้าวติดคอตายจริงๆนะีเมื่อก่อนไปอยู่ที่วัดทางหนองคายนะแม่ครัวใจดีนะทำกับข้าวอะไรให้กินนะตอนนั้นหลวงพ่อเป็นโยมนะมีวันหนึ่งไปที่วัดบกนะตายไปแล้วทั้งๆที่แข็งแรงเลนะแกกินข้าวแลแ้วแกสะอึกทีเดียวนะอาหารข้าวหลอนลมตายเลยนะนะเพราะฉะนั้นก่อนเราจะกินข้าวนะก็ตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลหนะ้า ถ้าเราตายไปแล้วเจ อ, อยมาบาล น, นะยม บ, บาลถามเองทำดีอะไรมาบ้างถือศีลหาตายนะเนี่ยอืมค mm hmm. เนียไ ป, ไปเอาไว้ไม่ได้ละนะคนชนิดนี้นะผีอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้ละเราปล่อยนะก่อนจะกินข้าวเย็นก็ตั้งใจนะก่อนนอนก็ตั้งใจเผื่อ น, นอนแล้วตายนะเนี่ยวันหนึ่งสัก4ี่ครั้ง5้าครั้งเป็นการเตือนตัวเองไว้ว่าเราจะรักษาศีล5้านะถัดจากนั้นเวลาที่เหลือนะรู้สึกตัว รู้สึกตัวให้มากที่สุดตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะตื่นนอนมาก็ค่อยรู้สึกตัวพวกเราใครตื่นนอนเคยเห็นจิตเคลื่อนเคลื่อนจากฝังวังไหมจิตมันหลับอยู่นะมันค่อยๆเคลื่อนเคลื่อนขึ้นมานะยังไม่มีร่างกายอันนี้ใครเคยเห็นบ้างมีไหมยังไม่มีหรอสติยังไม่ไวพอนะสติไวจะเห็นมันมันเคลื่อนขึ้นมานะแล้วมันเหมือนเปิดสวิตไฟปุ๊บมีความรู้สึกทางใจขึ้นมา ารู้สึกขยายตัวออ ก, กระทบร่างกายนะจะเกิดร่างกายขึ้นมานะจะรู้เลยว่าร่างกายนตอนนี้นอนอยู่ในท่าไหนนะหายใจออกหรือหายใจเข้าอะไรมันจะรู้สึกขึ้นมานะแล้วจะเห็นในร่างกายที่นอนอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเหมือนวัตถุเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนอะไรสักท่อนหนึ่งนะเหมือนหมาตัวหนึ่งก็ได้นะนอนอยู่เราเป็นแค่คนดูใจมัค่อยดูในเวลาฝึกกรรมฐานนะฝึกตั้งแต่ตื่น ตั้งแต่ตื่นนะฝึกไปเรื่อยจนถึงหลับเวลายกเว้นก็คือเวลาที่เราทํางานที่ต้องใช้ความคิดนะเวลาทํางานใช้ความคิดเนี่ยทำกรรมฐานไม่ได้เพราะว่าสติเราต้องจดจ่อกับงานสติจะมารู้กายรู้ใจไม่ได้สมาธิเราต้องไปไปจ่อกอับ ง, งานนะจะมาสมาธิอยู่กับตัวเองรู้สึกตัวอยู่เฉยเงี้ไม่ได้ปัญญาเราต้องไปคิดเรื่องงานนะจะมาดูความจริงของกายของใจไม่ได้ เพราะฉะั้นเวลาทำงานเนี่ยไม่ต้องถามเลยว่าเวลาทำงานเนี่ยจะปฏิบัติยังไงเวลาทำงานคือก็ปฏิบัติงานไงนะไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยนะแต่พอปฏิบัติงานแล้วขี้เกียจเคยเป็นไหมทำงานแล้วขี้เกียจเบื่อต้องยกมือซสียต้องยกมือเสียหนานแน่นมากเลย <laughs> อย่าไปให้เจ้านายเห็นก็แล้วกัน <laughs> แต่เจ้านายก็ยกเห็นกันแหละ <laughs> เน่เวลาขี้เกียจปุ๊บนะมีสติรู้ทันรู้ทันแล้วตรงนี้เราปฏิบัติได้แล้วเพราะขี้เกียจไม่ใช่งานใช่ไหมมาทำงานแล้วมันเกิดขี้เกียจให้รู้ทันว่าขี้เกียจความขี้เกียจมันจะแสดงใจลักนะเกิดแล้วมันจะดับให้ดูมันจะหายขี้เกียจฉับพลันเลยนะเคยเบื่อไหมทํางานแล้วเบื่อเคยเที่ยวแล้วเบื่อไหมเห็นไหมเออพอๆกันเลยเห็นไหมทำงานก็เบื่อใช่ไหมไปเที่ยวก็เบื่อใช่ไหม แล้วจะทำอะไรจริงๆแล้วมันเบื่อหมดอะอะไรที่นานๆแล้วเบื่อทท่านั้นอะเนี่ยใจของเรามันหิวอารมณ์ใหม่ๆไปเรื่อยนะเนี่ยเราคอยรู้ทันคอยรู้ทันไปเรื่อยเราเห็นได้ใจนี่ไม่คงที่หรอกใจนี่เปลี่ยนแปลงตลอดใจนี่หิวตลอดเวลาใจหิวภาษาพราะเรียกว่าตัณหามันโลภมันอยากที่ทริงเป็นหิวอารมณ์หิวแล้วเราคอยฝึกนะตั้งแต่ตื่นนอน ต่นนอนเนี่ยใจของเราเป็นยังไงเราค่อยรู้นะร่างกายเราอยู่ในท่าไหนเราค่อยรู้คอยรู้สึกตัวลุกขึ้นมาจากเตียงนะเห็นร่างกายมันเดินไปเข้าห้องน้ำห้องน้ํำเลยก็เห็นร่างกายมันทํางานใจเราเป็นคนดูนะร่างกายอาบน้ําใจเราเป็นคนดูนะเนี่ยพอ ร, ร่างกายไปอาบน้ําใจเป็นคนดูร่างกายตัวเองนะอย่าไปดูคนอื่นอาบน้ํารอเดี๋ยวบอกทากรรมฐานไปดูคนอื่นอาบน้ําไม่ใช่นะดูตัวเองเห็นร่างกายมัน ไม่ต้องดูด้วยตานะดูด้วยความรู้สึกลองหลับตาซิลองหลับตาแล้วขยับมือซิรู้สึกไหมมันรู้ได้ใช่ไหมมันไม่ต้องรู้ด้วยตาหรอกเนี่ยเวลาเราดูกายเราก็รู้สึกด้วยใจเอานี้แหละนะเวลาดูความรู้สึกเราก็รู้กันด้วยความรู้สึกด้วยใจของเรานี่เองค่อยๆสังเกตไปเรื่อยนะตั้งแต่ตื่นนอ น, นจนกระทั่งหลับยกเว้นเวลาทำงาน เวลาเดินทางรถติดก็ภาวนาได้นะรถติดแล้วสบายใจไหมเหมืนลำคาลรำคาญรู้ว่ารำคาลเนี่ยคอยรู้ทั น, นก็ไม่มีอะไรมากนะกรรมาฐานจริงๆอ่ะคือการเรียนรู้ตัวเองถ้าเราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจนานไปเราก็จะเห็นเลยร่างกายมันก็ของชั่วคราวร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเรานะจิตใจก็เป็นของชั่วคราว สั่งมันไม่ได้จริงหรอกสั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างนะสังเกตไหมใจเรามีความสุขจํานวนมากในห้องนี้มีความสุขสังเกตไหมว่ามันเปลี่ยนจากความสุ ข, ขนั้นมันจะค่อยๆนิ่งพอเราไปดูมันมันกลายเป็นนิ่งๆถ้าไปเพ่งมันนะมันนิ่งตลอดอเลยตอนนี้ห้ามเพ่งนะ เวลาจะดูกายดูใจอย่าไปเพ่งมันแค่รู้สึกแค่รู้สึกรู้สบายสบายถ้าเพ่งนะตึงเครียดไปใช้ไม่ได้ไม่ได้เป็นการดัดแปลงกายดัดแปลงใจแค่รู้สึกสบายสบายไปนะใครหนีไปคิดบ้างมีไหมดูออกไหมมันหนีไปคิดมันหนีไปคิดก็ไม่ว่ามันนะรู้รู้เราจะเห็นเลยว่าจิตเนี่ยมันบังคับไม่ได้ไม่ใช่เราหรอกมันหนีไปคิดมันก็หนีของมันเอง เนี่ยดูของจริงอย่างนี้นะซ้ําแล้วซ้ําอีก7วัน7เดือน7จดปีดูไปเรืยแล้วแต่ความดื้อของเรานะถ้าดื้อมากก็ดูนานหน่อยถ้าดื้อน้อยก็ดูไม่นานใจก็จะยอมรับความจริงยอมรับความจริงว่าอะไรยอมรับความจริงว่าอะไรเกิดอนะไรนั้นน่าดับเนี่คือความจริงอันแรกที่ใจยอมรับนะยอมรับว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับแต่จะไปเป็นพระโสดาบันเคยได้ยินชื่อไหมพระโสดาบัน นะคารวะาก็ทาได้นะเพียงแต่หัดทําอย่างที่หลวงพ่อบอกนะถ่นศี่ห้าไว้ฝึกใจให้อยู่กับตัวเองดูไกลทํางานดูใจทํางานจนเห็นความจริงของเขาจะเห็นความจริงมากพอใจยอมรับความจริงได้ว่ามันเป็นของชั่วคราไอ้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับก็คือทุกสิ่งเป็นของชั่วคราวนั่นแะหละนะถ้าเห็นได้ก็ได้ธรรมะนะเป็นพระโสดบดับได้โสดบับแล้วเราจะมีความอบอุ่นในใจนะ จะเกิดความอบอุ่นใจพวกเราใครเคยเหงาไหมโตๆอย่างเนี้ยเหงาไหมเคยรู้สึกโลลี่เดียวดายเคยหที่อยู่ท่ามกลางคนเยอะๆเหงาๆนะรู้สึกตัวเหมือนอยู่คนเดียวในโลกรู้สึกเหมือนเด็กหลงทางบางคนอายุตั้ง60แล้วตรงกันบ้านหลวงพ่อนะอยังหนูยังโน่หนูอย่างนี้นะนะรู้สึกยังเด็กๆเหมือนเด็กหลงทางถ้าเราได้โสดานะ เราจะรู้เลยว่าพ่อแม่เรามีนะบ้านเรามีเราหลงออกมาจากบ้านตั้งนานหาพ่อหามแม่เราไม่เจอนะเราจะรู้เลยทิศทางในการดําเนินชีวิตของเราเนี่จะมุ่งไปทางไหนแล้วนะมุ่งไปสู่ความพ้นทุกขนะ์ตามที่พระเจ้าท่านสอนพระเจ้าแหละเป็นพ่อเป็นแม่เรานะถ้าจะว่าไปพระเจ้าเหมือนพ่อเรานะธรรมะเหมือนแม่เรานะพระริยาสงฆ์ทั้งหลายเหมือนพี่เราทําไมเป็นพี่เพราท่านไปก่อน นะท่านเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นไปก่อนเราเราเดินตามรอยไปรอยที่ท่านทิ้งไว้ให้ก็คือเรื่องศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่นะเรียนไปจนเห็นความจริงว่าตู้อย่างมันชั่วคราวนะถ้ารู้ว่าตู้อย่างชั่วคราวได้โสดาบันท่านเปรียบพระโสดาบันนะเหมือนคนเดินทางในทะเลแล้วเรือล่มไปหรืออยู่ในเรือก็ได้นะที่เดินทางไปในทะเลจะไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้ไม่รู้ว่าฝั่งอยู่ที่ไหน พุทุชนเหมือนคนที่อยู่ในทะเลแล้วไม่รู้ว่าทิศทางที่จะไปไปทางไหนพวกเรารู้ไหมทิศทางของชีวิตเราข้างหน้าเราไม่รู้เลยนะว่าเราจะดีขึ้นหรือเลวลงจากวันนี้ไปในชีวิตเราจะดีขึ้นหรือเลวลงเรายังไม่รู้เลยนะอย่าว่าแต่ชาติหน้าเลยพรุ่งนี้ชีวิตเราจะเป็นไงเรายังไม่รู้เลยนะแต่ถ้าเราได้ธรรมมาแล้วนะเป็นพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันคือจะเป็นเหมือนคนที่รู้ว่าแผ่นดินอยู่ที่ไหนนะรู้ทิศทางที่จะไป ถ้ากาคาขาเนี่ยเหมือนคนที่กําลังเดินทางเข้าหาแผ่นดินนะนะถ้าเหมือนคนตกน้ําในทะเลก็รู้ทางว่าฝั่งอยู่ทางนี้ยว่ายน้ําเข้าฝั่งนะผาหนัขาเนี่ยเหมือนคนที่เข้าเข็นน้ําตื้นแนละเคยไปเล่นทะเลไหมเล่นน้ําทะเลเวลาคลื่นมันซัดขาเราก็ลอยใช่ไหมไม่ไม่ถึงพื้นนะเวลาน้ํามันลดลงขาก็ถึงพื้นนะให้ใคล้ายผ้าหนักขานะฟูฟูฟู ล, ล, ล, ลูอยู่ริมฝั่งนะนะั่นแหะ ถ้าเป็นพระอรหันต์นะัคือคนที่ขึ้นฝั่งได้จุดสำคัญที่สุดนะกว่าความเป็นพระอรหันต์นะคือเป็นพระโสดาให้ได้รู้ทิศทางที่จะไปให้ได้สีก่อนพระโสดาบันเห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเราพยายามเห็นตามท่านให้ได้นะโดยการดูของจริงทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเรานะเกิดแล้วดับจริงๆนะทุกสิ่งทุกอย่างในจิตใจเราเกิดแล้วดับจริงๆดูซ้าๆเนี่ยจนจิตมันยอม ถ้าไม่ดื้อมากนะเจ็ดวันหรือเจ็ดเดือนก็ได้ผ ล, ละนละถ้าดื้อมากก็า จ, จ็เจ็ดปีถ้าดื้อโคตรเลยประเภทนี้นอาจจะ7ชาตินะเอาแน่ไม่ได้หรอกความดื้อเราสะสมของเร า, าเองยุติธรรมนะทั่นธรรมานิยุติธรรมที่สุดเลยไม่มีเล่นเส้นหรอกธรรมใครทำก็ได้เอานะใครไม่ทำก็ทุกต่อไปนะพระเจ้าท่านก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องทำนะ ท่านก็แค่ว่าเชิญชวนลองมาทําดูเถิดนะเอฮิปัสิโกฟึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดนี่หลวงพ่อก็มากล่าวกับพวกเราว่ามาลองดูเถอะลองดูเถิลดอลองดูยังไงโอปานายโกน้อมเข้ามาหาตัวเองนะมาเรียนรู้ตัวเองถ้าต่อน้อมเข้ามาหาตัวเองได้ก็จะเกิดปัจจตังเวทีตัปโภวิยุบินยูชนจะรู้ความจริงด้วยตัวเองนะความจริงที่ว่าทุกอย่างมันชั่วคราวนะเบื้องต้นนะ ถ้าเบื้องปลายจะรู้ว่าทุกอย่างมันทุกนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นถึงตรงนี้นะกายนี้ก็ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ก็ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะจิตจะหมดความยึดถือในกายหมดความยึดถือในจิตที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงที่ไม่ยึดถืออะไรเลยนั่นแหละเพราะปัญญาไม่ใช่แกล้งไม่ยึดถือนะถ้าอยู่ๆก็แกล้งไอ้นี่ก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดนั่นก็ยึดความเห็นว่าจะไม่ยึดนั่นแหละ เราต้องดูความจริงไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเขาเห็นเองถ้าเห็นแล้วเขาพอนะเขาก็ไม่ยึดของเขาเองถ้ายัางไม่พอก็ยึดไปก่อนพวกเรารักกายมากไหมรักมากนะกายนี้มีค่ามากสำหรับเราใช่ไหมคนมาขอซื้อลูกตาเราแสนหนึ่งขายไหมไม่ขายนะซื้อนิ้วก็ไม่ค่อยขายแล้วนะแต่มาซื้ออะไรในตัวเราเป็นของมีค่าเราแต่ของมีค่านียวันหนึ่งจะเสียไป ต้องเสียเสียแล้วเสียหายเท่าไหร่ลองคานวณดนะูเรษฐาตาเราราคาเท่าไหร่หูเราราคาเท่าไหร่จมูกเราราคาเท่าไหรนะ่สุดท้ายเราต้องเสียไปทั้งหมดการหัดภาวนานะภาวนาเะได้พ้นจากความทุกข์ได้พ้นจากความทุกขนะ์อย่าเอาอย่างคนใหญ่คนโตนะ รวยมีอำนาจมีอะไรไม่มีความสุขหรอกนะเราพอนังเรามีความสุขกว่าทั้งเยอะไนงะนะกินข้าวก็ไม่ต้องกลัวใครวางยาพิษเนาะนอนอยู่ก็ไม่ได้กลัวใครแอบมายิงอนะไรเงสบายกว่าทั้งเยอะนะยิ้มแล้วรู้สึกไหมนะยิ้มมีใจมีความสุขแต่ล่องรอยนะใจลอยนะ อ่ะพอดีละนะใครจะส่งการบ้านเชิญรกระบาบนมรส ก, การหลวงพ่อครับไม่ได้ส่งการบ้านประมาณปีกว่าครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยปฏิบัติหลอมรวมกับในชีวิตประจำวันนะครับก็คือทำอะไรก็จะมีสติเท่าที่ทำได้นะครับส่วนการปฏิบัติในรูปแป บ, บก็แล้วแต่ช่วงนะครับบางทีก็จะสวดมนต์แล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นนั่งสมาธิบ้างช่วงนี้จะเป็นวิ่ง นะครับแล้วก็ทําสมาธิไปด้วยนะครับก็ที่ผ่านมาตอนต้นเดือนอะนะครับก็พอดีฟังซีดีหลวงพ่อเทศนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรผมจําไม่ได้ละแล้วลมีอยู่เช้าวันหนึ่งเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วก็พิจารณารมที่หลวงพ่อเทศไว้แล้วมันมีอยู่สภาวะหนึ่งที่จิตมันดีดขึ้นมาแล้วเห็นว่ามันแยกขาดออกจากสิ่งที่เราเห็นคือมันออกไปจากโลกครับคือเห็นว่าโลกมันก็มีอยู่อย่างนี้อยู่ เป็นอย่างนี้อยู่อแล้วก็มันเกิดขึ้นมาแวบเดียวตรงนั้นอืทีนี้ก็เลยลองตวนขึ้นมาว่าเมื่อกี้เกิดขึ้นอะไรเกิดอะไรขึ้นก็มันก็บอกว่าไม่มีอะไรก็แค่สภาวะธรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นมาระดับไปออืคําถามที่ถามตัวเองถัดไปก็คือว่าหลังจากนี้ต้องทําอะไรต่ออก็ทําเหมือนเดิมทาเหมือนเดิมแหละทําเหมือนเดิมอย่าไปโลภนะอย่าไปหวังว่ามันจะแยกอย่างนั้นมันแยกเองแหละครับ แค่ oh. รู้สึกตัวนะขันมันจะแยกออกแ้ขันแยกออกมันจะเห็นมันไม่มีเรารเห็นใหม่ๆยังรับไม่ได้จะเห็นซ้ำแล้วซ้าอีกในสุดจิตก็ยอมรับไม่มีเรารนะได้ตรงนั้นก็จะได้ธรรมะคำถามที่จะถามหลวงพ่อก็คือว่าต้องทำอะไรให้ดี <ทำ S 1> ขึ้นกว่าเ ด, เดิมไหมครับเราไม่ได้ทำเพื่อเอาดีหรอกนะเราทำสม่าเสมอ นะรู้สึกตัวบ่อยๆตอนหลวงพ่อบวชภรรษาแรกๆนะพรรษาที่1 2นะึ่งสอใจมันก็คิดเหมือนกันนะจะเร่งความเพียนโดยเฉพาะพรรษาที่3าเนะี่ยว่าบวชมา3พรรษาล้ในภรรษาที่3เนี่ยจะเร่งความเพียนเสร็จแล้วงวงตัวเองนะจะเร่งยังไงสติอัตโนมัติจะเร่งยังไงให้มากกว่านี้มันเร่งไม่ได้นะสมาธิก็อัตโนมัติคือใจมันอยู่กับตัวเองตลอดนะจะเร่งยังไง มันก็สุดขีดละปัญญาก็อันตโนมัตินะไม่ว่าสติจ ะ, ะระลึกรู้อะไรมันก็เห็นไตรลักษณ์ไปหมดไม่รู้จะเร่องอยังไงจริงๆมันเร่งไม่ได้ต้องรอเวลาแต่ว่ามันไม่ได้อย่างใจใจเราจะอยากเร่งนะั่เป็นธรรมดาจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมไม่เหมือนอครับโไม่เหมือนใช่ได้ <laughs> ใจเราต้องเป็นธรรมดา ธรรมะก็ธรรมดาเองแต่ไม่ใช่ธรรมชาตินะเราคว่าธรรมะเป็นธรรมชาติชาติก็เกิดธรรมะก็เป็นแค่ธรรมดาธรรมะแล้วธรรมชาติเนี่ยเป็นความจริงฝ่ายที่ยังเกิดดับอยู่ธรรมะแท้ๆมันเลยเกิดไปก็เป็นธรรมเฉยๆคำว่าชาติแปลว่าเกิดเราดูธรรมดาของกายดูธรรมดาของใจนะดูไปเรย กายกระใจนี่เป็นธรรมชาติคือเป็นของที่ยังเกิดดับอยู่พอเข้าใจในสิ่งที่เป็นธรรมชาติคือเข้าใจกายเข้าใจใจแล้วเนี่ยจิตวางก็เข้าถึงธรรมะแท้นะเขาวางเองอยู่ที่ทำให้พอน ะ, อะฟังซีดีมาปีขว่าๆยังไม่เคยส่งกันบ้านค่ะ อยากจะกลับเรียนถามเรื่องคือที่นี่เนี่ยเป็นโอเพนออฟฟิศที่นี่บางทีเวลาเพื่อนร่วม ง, งานทำเสียงดังเนี่ยเราจะรู้สึกแรกคือรู้สึกลำคาญดังนั้จิตเราก็จะจับได้ว่าเาเราลำคาญหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะตำหนิจิตเราเองว่าเป็นเพราะเราเนี่ยไปจับเสียงเขาเราก็เลยรู้สึกลำคาญอย่าไปตำหนิสิก็เลยไม่แน่ใจว่าอย่างเงี้ยเป็นการตามรู้ตามดูหรือว่าเป็นการดัดแปลงมันไปผิดตรงที่ไปตาหนิมันเราไปให้ค่ามัน เราดูว่าจริงๆเราบังคับเขาไม่ได้เขาจะาราคาญเขาก็าราคาญของเขาเองอแลว้วความราคาญก็ไม่เที่ยงอยู่ชั่วคราวก็หายหเราไม่ต้องไปให้มันหายนะดูของจริงเข้าไปแล้วก็ตั้งใจไว้อย่างหนึ่งเราจะไม่ทําเสียงดังให้คนอื่นารา <household S 2> คาญค่ะอยากจะกราบขอวิหารธรรมมาหลวงพ่อวิหารธรรมขอกันไม่ได้นะขไงใครของมันนะวิหารธรรมก็คือไกากับใจของเราดูเเป็นดูกายชัดหรือดูใจชัดลน่ะ ดูใจค่ะดูใจชัดเป็นคนช่างคิดนะถ้าเป็นช่างคิดก็ดูใจใจเดี๋ยวสุขใจเดี๋ยวทุกข์ใจเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวร้ายไม่ได้ดูเอาสุขไม่ได้ดูเอาดีไม่ได้ดูเอสงบนะให้ดูให้เห็นว่าทุกอย่างมันชั่วคราวทุกอย่างบังคับไม่ได้นะดูซ้ําๆไป <c oughs> สังเกตไหมว่ากายกับใจเป็นโคล่าอนดูออกอะไรใช่ไหมนะเห็นไหมว่าความสุขทุกข์กับใจก็โคล่าอันไหม เห็นไหมกิเลสกระจก็ควรล่านในการที่เราเห็นอย่างนี้นะเรีว่าขันมันเริ่มแยกแล้ถ้าแยกขันได้เนี่ยการภาวนาเราเข้ามาสู่จุดที่สบายแล้วถัดจากนี้เราไม่ได้ทําอะไรเราดูความจริงของขันไปเรืนะ่อยความยากของการภาวนาอยู่ที่ว่าทํำยังไงเราจะตื่นขึ้นมาแล้ว เ, เห็นขันทํางานได้เพราะคนในโลกนี้ลืมตัวเองตลอดวัน นะพอจะมาดูตัวเองก็ไม่ไปดูมันทํางานตามธรรมดาไปบังคับมันซะอีกนะงั้นกว่าใจเราจะเข้าสู่ทางสายกลางได้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้นะยากมากเลยแต่พอเข้ามาถึงจุดนี้แล้วนะขันกระจายตัวออกไปแล้วเนี่ยกรารภาวนาจะไม่มีอะไรยากอีกแล้วนะถ้าสุกมาก็เห็นว่ามาก็ไปทุกมากข้ไปอะไรมากข้ไปนะดูอย่างนี้ไม่ได้มุวงเอาดีเลยไม่ได้มุ่งเอาสุขไม่ได้มุ่งเอาสงบเลยนะ ่มุ่งดูความจริงเรื่อยไปแต่ถ้าไม่มีแรงดูก็ทำความสงบเข้ามาทำสมถะนะถ้ามีเรี่ยวมีแรงพอก็ดูความจริงของกายของใจเรื่อยไปนะถึงจุดหนึ่งใจก็เข้าใจความจริงนะ ไ, ได้ธรรมะไม่ยากอะไรนะมัสกาลอองพ่อคะ่ะส่งกันบ้างในรอบปีกว่าคะ่ะตลอดปีที่ผ่านมามันล้มลุกคุกขานมากคะ่ะถูกแล้วนะต้มแล้วต้องลุกนะ คลุกฝุแล้วอย่าอยู่กับที่คลานมันไปแล้วปฏิบัติต้องอย่างนั้นนะแต่มันบางทีมันเหมือนแบบมันหาทางออกไม่ได้ค่ะมันไม่มีทางออกมนรู้ลงปัจจุบันไปเราที่หาทางออกเนี่ยเราก็คิดลึกๆเราก็จะคิดว่าทำไงจะดีกว่านี้ทำไงจะสุขทำไงจะสงบทำไงจะได้มรรคผลอะไรเงี้ยเราคิดว่าจะทำยังไงเพื่อจะเอาอะไรเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อจะเอาอะไรนะ เราดูกายเขาทํางานเราดูใจเขาทํางานเพื่อให้เห็นความจริงของเขาเท่านั้นนะเหมือนพอเห็นสภาวะแล้วจิตก็แทรกแซงค่ะจิตไม่เป็นกลางเออให้รู้ทันนะห้ามเขาไม่ได้จริงจังไมให้จิตเขาแทรกแซงเองเน<ข>่เราดูดาเพื่ อ, อ <ะ S 2> เพื่อให้เห็นตัวเนี้ยว่าเราบังคับเขาไม่ได้เขาทํางานเขาเองนะแล้วมันทุกข์ก็ค่ะหลวงพ่อทุกข์กสินะยิ่งอยากยิ่งทุกข์นะยิ่งอยากหายยิ่งอยากดียิ่งทุกข์เลย แต่มันก็ยังจะดิน้นมันก็ยังจะทยาออกไปห้ามไม่ได้นะใจของเราห้ามไม่ได้หรอกไม่มีใครสั่งมันได้พอเวลาดูลงมาในกายแล้วพอเห็นกายรู้สึกกายก็ทุกข์ค่ะใช่เห็นความคิดก็ทุกข์ค่ะใช่เห็นความทยาอยากก็ทุกข์เออนะเราใจไม่ชอบนะ <S <S ให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบไหมเงี้ยหลวงพ่อสอนเรื่อยๆเนี่ยบางคนไป ป, ปิดไว้หลังเสื้อนะ ไม่มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยใจไม่เป็นกลางให้รู้ทันว่ามันไม่เป็นกลางนะแล้วมันจะกลางของมันเองไปสั่งมันให้กลางมันไม่กลางหรอกสั่งให้ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งหรอกตั้งมั่นได้มาจากการรู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไหลแล้วรู้เนี่ยจิตจะตั้งมั่นเป็นกลางเนี่ยเกิดจากเรารู้ทันว่ามันไม่เป็นกลางนะตั้งมั่นก็รู้ทันว่ามันไม่ตั้งมั่น อาศัยรู้ทันเนี่ยวคุณธรรมทั้งหลายค่อยพัฒนาขึ้นมาต้องอดทนตัวนี้ต้องทนลุกเดียวเลยมันเหนื่อยมากค่ะหลวงพ่อเหนื่อยก็ต้องทําสงบไหมทําสมถะเป็นช่วงๆนะที่พักของเราคือสมถะนะั่นแหะทําอะไรไม่ได้สวดมนต์ไปเรื่อยๆวันนี้ไม่ดูกายดูใจแล้ววันนี้สวดมนต์นะเราก็คือทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับพอมันมีแรงมันก็กลับมาดูใหม่มันเหมือนมันจะอยาก ดีอยากได้เหมือนออที่พนะ่<า>อพูความ อ, อยาก<ง>เป็นสมุทัยยังไงก็ทุกนะความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยากดีก็ทุกข์นะอยากได้มากผลก็ทุกข์นะไม่มีข้อยกเว้นนี่แหละความยุติธรรมล้ขอบคุณค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านหลวงพ่อเป็นครั้งแรกค่ะหลังจากฟังซีดีของหลวงพ่ออ่านหนังสือของหลวงพ่อมาประมาณสองปีค่ะในระหว่างวันก็จะพยายามมีสติ รู้กายรู้ใจบางทีก็รู้บ่อยค่ะบางวันก็รู้แค่ไม่กี่ครั้งเนี่ยค่ะตกกลางคืนก็พยายามปฏิบัติสมาธิแต่ว่าสิ่งที่ได้บางวันไม่ได้สมรถิเลยค่ะเห็นแต่จิตที่วิง่งวุ่นไปวุ่นมาก็ดีกว่าไม่เห็นน ะ, ะถึงสงบก็ปฏิบัติฟุ้งซ่านก็ปฏิบัติน ะ, ะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วดูของเราอย่างนั้นนะค่ะก็เลยกลายเป็นไม่ได้สมรถิเลยค่ะเห็นแต่จิต ถ้าถ้ามันไปดูเกิดดับนะมันก็ไม่ได้ทำสมถ ะ, ะไปเดินปัญญาเดินปัญญารวดไปไม่ไม่ไหวเหนื่อยเพราะฉนั้นถึงเวลานะเราก็น้อมใจเข้ามาน้อมใจมาอยู่กับลมหายใจน้อมใจมาอยู่กับพุโทโธอะไรก็ได้น้อมมาวันนี้ไม่เอาแล้วปัญญาฟุ้งมากไปอะไรย่างนี้พยายามทำอย่างนั้นคะ่ะพยายามผูกลมหายผูกจิตไว้กับลมหายใจพุโทโธแต่เดี๋ยวสักพัก ไปแล้วคะ่ะใจมันหิว่ารมณ์ใจมันอยากอยากไปปฏิบัติให้รู้ทันใจที่อยากเข้าไปเลยนี่แกอยากลนะ้วนะพอความอยากมันลดแรงผลักลงนะเราก็มารู้ลมหายใจพักผ่อนขอบคุณหลวงพ่อคะ่ะของหนูก็ดีนะพอนาจิตใจก็เปลี่ยนแล้วนะทั้งทั้งหมดเลยนะที่ส่งกันบ้านไปแล้วนะใจเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วค่ะเออกราบขอ โอกาสคะ่ะหลวงพ่อค่ะคือหนูส่งกันบ้านในรอบปีกว่ า, วาที่ผ่านมานะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะที่หนูไปดูจิตที่มันไหลไปแล้วก็กลับมาค่ะแล้วก็มีความรู้สึกสนุกกับการดูตรงนั้นมากค่ะ ห, หลวงพ่อเพราะว่าดูว่ามันไหลไปแล้วมันกลับมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยไปส่งกันบ้านพี่เลี้ยงอะคะ่ะพี่เลี้ยงแบบว่าหนูไปพยายามดึงจิตให้มันกลับมาทีนี้หนูก็เลยมั น, น่นไหมแต่มันกลับมาแล้วอึดอัดไหม ตอนนั้นยังไม่เห็นความอึด อ, อัดขลังพอเราก็บอกว่ารู้สึกสนุกกับมันนะคะว่าแบบเว้ยมันกลับมันไหลไปมันกลับมามันเห็นอย่างนั้นนะคะออถ้าเห็นอย่างนั้นใช้ได้นะจะดึงหรือไม่ดึงเราสังเกตง่ายๆถ้าเราไปดึงจิตคืนมาเนี่มันจะแน่นจะอึดอัดแต่ถ้ามันกลับมาเองเราเราล่าเริงเบิกบานนะสบายเบาสังเกตเอาถ้าเราเมื่อไหร่บังคับจิตนะเมื่อนั้นจะแน่นขนาดเนี้แน่นไหม ตอนนี้แน่นครับตอนนี้ใช้ได้ค่ะเนี่ยดูอย่างนี้แหละแต่ว่าทีนี้พอพี่เลียงบอกว่าหนูไปไปดึงกลับมาแล้วก็หนูไม่รู้ตัวว่ามันแน่นทีนี้หนูก็เลยไม่กล้าไปทำอย่างนั้นแล้วค่ะเอาเหรอทำสินะแน่นก็รู้เอาไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวผิดนะการภาวนาถ้าผิดก็ไม่ได้ต้องติดคุกติดตารางอะไรเราเรียนจากสิ่งที่ผิดนั่นแหละ เข้าใจสิ่งที่ผิดแล้วถึงจะถูกนะะ <Okay. S 2> ถ้าสังเกตให้ดีสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะเรียนจากสิ่งที่ผิดทั้งนั้นเลย <Okay. S 2> นะเช่นรู้ทันว่าจิตไหลไปจิตฟุ้งซ่านไปเนะี่ยจิตก็จะตั้งมั่นสงบขึ้นมา mm. ใช่ไหมดูปล่อยให้มันทํางานทั้งนั้นเลยไม่เรียนจากสิ่งที่ผิดอนะ่ะ <Okay. S 2> เห็นมันโกรธใช่ไความโกร่ก็ดับไปไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดเ <Okay. S 2> มื่อไหรไม่ผิดเมื่อนั้นก็ถูกเองแหละเมื่อไหรอยากให้ถูกเมื่อนั้นผิดแน่นอนเลย เพราะว่าอยากอืมค่ะก็คือแค่ให้รู้ว่าถ้ามันดึงกลับมาแล้วมันแน่นก็หรือว่าแน่นเออนะรู้ไปต้อง ค, ค่อยๆดูไปดึงอีท่าไหนว่าแน่นค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าถ้าดึงเราไม่ได้รู้สึกว่าแน่นก็ใช้ได้ใช่ไหมครัใช้ได้นะ <c oughs> ถึงจะแน่นบ้างก็ไม่เป็นไรเบื้องต้นของการภาวนานะต้องตึงไว้ก่อนค่ะนะถ้าเบื้องต้นจะเอาให้พอดีทางสายกลางเป๊ะๆนะจะหย่อนเกินไป ครับคุณค่ะสงพาอกลับนมัส ก, การค่ะโยมส่งกันบ้านในรอบปีกว่าค่ะโยมจะเรียนถามเรื่องเวลาเดินจงกรมเนี่ยเดิมเนี่ยโยมจะใช้กายแล้วระยะหลังนี่โยมมาดูเป็นว่ารูปเดินคือเพราะว่าโยมฟุ้งซ่านมากนะะก็เลยดัดแปลงนิดหน่อยเป็นเป็นรูปเดิน รูปนั่งอก็แล้วก็เวลาหายแวบไปก็จะแวบไปอะไรอย่างเงี้ยอืก็จะรู้ตามก็ใช้ได้นะใจก็พัฒนาแล้วก็โยมก็ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันนะคะก็เขณะนี้โยมยังอยู่ในทางอยู่ทําถูกด้วยขอบคุณค่ะเห็นไหมว่ากายกับใจคนละอันเห็นว่าอยู่ห่างๆเออนั่นแหละมันอยู่ห่างนะ แต่เราไม่ได้ดึงให้ห่างนะมันห่างเองขันมันแยกนะต่อไปสุขทุกข์ดีช่วงก็แยกแยกไปแยกไปไม่มีเรานมัสการค่ะพระอาจารย์<ม>ก็ไม่ได้ส่งกันบ้านมาเป็นปีกว่าเหมือนกันนะ<ม>ก็ในช่วงที่ผ่านมาก็อคอยอดูจิตนะฮะก็ ม, มีสติก็บ้างเป็นบางครั้งแต่ส่วนใหญ่แล้วพอ บางทีมันเผลอไปแล้วหลงไปแล้วกลับมาแล้วอาจจะมัวแต่คิดต่อนะในเรื่องที่คิดหลงไปต่ออีกมันก็อันนั้นหลงใหม่ใช่แล้วหลหลงใหม่อีกรอบน่เป็นหลอีกรอบนึงแล้วก็จิตส่งออกนอกแล้วบางทีก็ไม่เป็นกลางค่ะถ้ารู้ก็ใช้ได้น ะ, ะรู้ว่าจิตออกนอกจิตก็จะตั้งมันรู้ว่าจิตไม่เป็นกลางจิตก็จะเป็นกลาง ก็บางทีศรัทธาก็น้อยลงด้วยค่ะศรัทธาน้อยก็ต้องรา้วมันหน่อยค่ะค่ะก็จะปฏิบัติต่อไปค่ะอย่างของโยมมันรู้สึกไหมปีหนึ่งนี้เราเปลี่ยนไปเยอะแล้วธรรมะของคุยาเจ้าน่าอัศจรรย์เปลี่ยนได้อัศจรรย์มากเลยหมดแล้วนี่ที่นี่เขาดีไงเขาภาวนาเอาเองภาวนาเองดีที่สุดนะใช้ความสังเกต คือพวกเราเรียนกรรมฐานเนี่ยเราอย่าพึ่งหวังพึ่งคนอื่นส่วนมากชอบอ้างกาลยานามิตรสอนอย่างนั้นกาลยานามิตรสอนอย่างนี้นะปัญหาก็คือเราไม่รู้หรอกว่าใครคือกาลยานามิตรอย่างไปเรียนครูบาอาจารย์กระทั่งหลวงพ่อประโมทนี่แหละรู้ได้ไงว่าเป็นกาลยานามิตรเราเอาภูมิอะไรมาตัดสินว่าคนนี้ถูกคนนี้ไม่ถูกใช่ไหม งั้นสิ่งที่จะช่วยเราได้มากนะก็คือโยนิโสมานสิการพระเจ้าเคยสอนบอกว่ากัลยาณมิตรเนะี่ยเป็นทั้งหมดนะของอริยมรรคแต่สอนอีกที่หนึ่งท่านบอกว่าโยนิโสมานสิกานะเป็นทั้งหมดของอริยมรรคหมายถึงถ้ามีโยนิโสมานัสิกานะก็จะได้มรรคได้ผลได้นะหรือมีกัลยาณมิตรที่แท้จริงก็ได้มรรคได้ผลได้คนสมัยพุทธกาลมีกัลยาณมิตร มีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรนะมีพระอาหารหันต์สาวกที่ท่านรับรองมาถึงยุคเราเนี้ยอย่าวังฟึ่งกัลยาณมิตรนะเราไม่รู้ว่าใครคือกัลยาณมิตรตัวจริงงั้นเราจะเชื่อเอาก็จะงมงายนะเอาชีวิตไปฝากไว้กับคนอื่นไม่ได้อย่างเด็ดขาดเลยสิ่งที่จะช่วยเราได้มากก็คือโยนิโสมนานัสิการคําว่าโยนิโสมนานสิการเนี่ยคือความแยบคายในการสังเกตเอา เช่นถ้าเราภาวนานะจิตเราสว่างว่างโลง่งอยู่อย่างเงี้ยเป็นเดือนเดือนเป็นปีปีเราต้องรู้แล้วว่ามันผิดเพราะอะไรพระพุทธเจ้าสอนว่ามันไม่เที่ยงทําไมมันเที่ยงท่านสอนว่ามันทุกข์ทำไมมันสุขท่านสอนว่าเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นี่เหมือนบังคับได้กูเก่งกูเก่งอยู่ซะอีกนะเนี่ยถ้ามันฝืนมันทวนกับคําสอนของพระพุทธเจ้านะต้องรู้เลยว่าผิด เพราะโยนิโสมานัสิการไม่ใช่คิดเรื่อยเปื่อยพิจารณาสูงเดจแต่คิดพิจารณาเนะทียบเคียงเข้ากับคำสอนของพระพุทธเจ้านะอย่างเราภาวนานะเรานั่งสมาธิทุกวันเราปวดเมื่อยนะเรากะว่าจะต้องนั่งเอาชนะความปวดให้ได้เลยนะถ้าเรามีโยนิโสมานัสิการเราก็จะรู้ว่านี่ออกนอกทางแนละ้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้นั่งสมาธิเพื่อเอาชนะความปวดนะท่านสอนให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ของกายของเวทนาหรือความปวดเมื่อยอะไรนี้นะหรือของจิตที่ไปรู้เข้านะกันต้องดูเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ดูเพื่อเอาชนะขันนะถ้าเราพาวาแล้วก็เอาชนะขันนะวันนี้นั่งโต้รุ่งได้อะไรนี้นะหรือถือศีลแล้วก็ไปบลัฟคนอื่นนะว่าคนอื่นไม่มีศีล น, นะอันนี้ไม่ใช่ถือศีลที่ถูกแล้วเราต้องสํารวจตัวเองได้งั้นโยนิโสมนสิ ก, กาเนี่ยมันก็คือการตรวจสอบตัวเอง ด้วยคำสอนของพระพุทธเจนะ้างั้นสิ่งนี้แหละสำคัญที่สุดเลยงั้นต้องเรียนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะคําสอนหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็อยู่ในเรื่องของอริยสัจสี่ในอริยสัจสี่เนะี่มีเรื่องทุกข์กับสมุทัยนี่เป็นฝ่ายฝ่ายโลกนะนิโรธกามมรรคเนี่ยเป็นฝ่ายที่จะพ้นจากโลกพ้นจากทุกขนะ์มีเหตุกับผลเหตุกับผลนะทําเหตุอย่างนี้ก็จะได้ผลเป็นทุกข์ทำเหตุอย่างนี้ได้ความพ้นทุกข์นั่นแหะ หน้าที่ต่อทุกอะไรคือทุกเนี่ยต้องรู้สิ่งที่เรียกว่าทุกก็คือขันท่าเรานี่เองกายใจเรานี่เองหน้าที่ต่อทุกคือรู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่ละเนี่ยถ้าเราพ อ, อนานแล้วเราพยายามละทุกนะเรามีโยนิโสมนสิการเราก็รู้ว่าทําผิดแล้วละแทนที่เราจะรู้ทุกอย่างที่มันเป็นรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นเราก็พยายามไปดัดแปลงเนี่ยแสดงว่าเราออกนอกทางลนะเนี่ยความสังเกตนะจะช่วยเราได้ดีที่สุดเลยนะ แต่ไม่ใช่สังเกตแล้วคิดส่งเดชเราเองนะต้องอยู่ในกรอบคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่งั้นคลาดเคลื่อนสมูทไทยให้ละนะอะไรเป็นสมูทไทยคือความอยากนั่นเองนะให้ละคืออย่าไปเชื่อมันอย่าไปตามมันไป น, ะนิโรดนิพพานทําให้แจ้งพวกเราอย่าไม่แจ้งนะมรทำให้เจริญนะมรย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาก็ทสิ่งที่หลวงพ่อสอนวันนี้นั่นแหละก็ศีลสมาธิปัญญาก็จะเจริญขึ้น สุดท้ายอาริยมรรคเกิดแจ้งพนิพาลแจ้งนิโรธนะทุกข์ก็พ้นไปงั้นอย่าเชื่อกลยานามิตรนะใช้โยนิโสมนัสิการให้มากขึ้นหน่อยเพื่อตัวเองให้เยอะหน่อยว่า ง, า ง, อาางๆอ่านพระใจปิดกบ้างใครเคยอ่านพระใจปิดกมีไหมอ่านได้จบไหมอ่านพระวินัยกับพระสูตรนะ อภิธรรมเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนอภิธรรมอ่านไม่รู้เรื่องนะขึ้นต้นก็กุศลาธรรมากุศลาธรรมาอย่าที่พระสวดงานศพนะนั้นเขาแยกแยะสะภาวธรรมอภิธรรมเป็นการแยกแยะสะภาวธรรมรู้กระบวนการทํางานของสภาวธรรมต่างๆนะรู้ที่มาที่ไปรู้เหตุรู้ผลซึ่งเราภาวนาแล้วเราจะเห็นอภิธรรมภาวนาแล้เราจะเห็นอ่านเท่าที่อ่านได้อ่านพระวินยัยอ่านพระสูตรดู เราจะได้แม่นนะไม่ใช่ใครเขาพูดอะไรก็เชื่อเชื่อเข้าไปหมดนะเหลวไหลนะอ้างได้ยินได้ๆนะกาลยานามิตรสอนอย่างนี้เอนึกหนึ่งหน้าอย่างนี้หรอกาลยานามิตรสอนนะหลงมันเชลอยอย่างนี้ต้องปาปมมิตรสอนแล้วไม่ใช่กาลยานามิตรลนะสังเกตเอานะเรียนหลักให้แม่นเราสังเกตเอาใครมีความสุขบ้างยกมือสิ แล้วรู้ไปนะเห็นไหมความสุขไม่ไมันเปลี่ยนไม่คงที่หรอกค่อยๆหายไปแล้วเ้าถ่ายรูปได้แล้วเลิกเทศแล้ว <laughs>